เรื่องผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจุลกะท่านพระยศกากนดกบุตรกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือครั้งนั้นพวกข้าราชบริพาร น, นั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังได้สนทนากันดังนี้ว่าทองและเงินย่อมสมควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรหรือพวกสมณะเชื้อสายสากยบุตร ยินดีทองและเงินได้หรือพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรรับทองและเงินได้หรือท่านทั้งหลายสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจุลกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยลําดับนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจุลกะได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่านายท่านทั้งหลาย พวกท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่สมควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรปล่อยวางแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินท่านทั้งหลายผู้ใหญ่บ้าน ชื่อมณีจุลกะสามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจครั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจุลกะชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาตแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอพระวโรกาสพวกข้าราชบริพาร น, นั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังได้สนทนากันดังนี้ว่าทองและเงินสมควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรหรือพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร ย, ยินดีทองและเงินได้หรือรับทองและเงินได้หรือ พระพุทธเจ้าข้าเมื่อบริษัทนั้นกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่านายท่านทั้งหลายพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่สมควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงิน พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรปล่อยวางแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์สามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจได้เมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าชี้แจงตามพระผู้มีพระภาคกลัดไว้ไม่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จ แต่ชี้แจงตามสมเหตุสมผลและคำกล่าวที่เหมาะแก่วาทะของพระองค์จะไม่ถูกตำหนิบ้างหรือแม้น้อยหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเอาเถอะท่านเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าชี้แจงตามเราไม่กล่าวตูเราด้วยคำเท็จ แต่ชี้แจงตามสมเหตุสมผลและคำกล่าวที่เหมาะแก่วาทะของเราจะไม่ถูกตำหนิบ้างหรือแม้น้อยหนึ่งผู้ใหญ่บ้านทองและเงินไม่สมควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรโดยแท้พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงิน พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรปล่อยวางแก้วมณีและทองพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรปราศจากทองและเงินผู้ใหญ่บ้านทองและเงินควรแก่รูปใดแม้การมาคุณห้าก็ควรแก่ผู้นั้นการมกคุณห้าควรแก่รูปใด ท่านพึงทรงจำผู้นั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่มีสมณธรรมไม่มีธรรมของเชื้อสายสากยบุตรนนหนึ่งเรากล่าวเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาย้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไมา้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียน ผู้ต้องการรู้จักตนเองพึงสแสวงหาตนเองแต่เราไม่เคยกล่าวถึงทองและเงินว่าเป็นสิ่งที่ควรยินดีควรสแสวงหาไม่ว่ากรณีใดๆอาตมาผู้มีวาทะอย่างนี้กล่าวอาธรรมว่าเป็นอาธรรมกล่าวอาธรรมว่าเป็นธรรม